เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมา้าสมัยนั้นม้าหลวงตายในกราวข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายพากันกินเนื้อมา้าได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุจึงฉันเนื้อมา้าคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนทนาว่าฉไนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร จึงฉันเนื้อม้าเล่าม้าเป็นราชพาหนะถ้าพระราชาทรงทราบคงไม่พอพระไทยภิกษุทั้งหลายเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมา้ารูปใดฉัน ต้องอาบัตทุกกด